ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนแต่นักเรียนจำนวนไม่น้อยนะปิดเทอมแล้วก็ยังไม่ได้หยุดนะต้องไปเรียนหนังสือต้องไปเรียนพิเศษต้องเตรียมตัวสอบ O อเน็ตเอสอบเสร็จก็ต้องเปิดเทอมเรียนต่อเป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่านะ จนกระทั่งข้ามมาวิทยาลัยเราก็ต้องเรียนอีกหลายปีจากตามกับการทำรายงานการสอบกว่าจะได้ปริญญาพอจะมีวิชาไปทำมาหากินได้ก็หลายปีพวกเราส่วนใหญ่นะก็ แล้ ว, วพพ้นภาระจากเรื่องนี้ไปแล้วนะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการหาที่เรียนบางคนอาจจะมีอยู่บ้างนะเพราะว่าต้องกำลังเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกแต่ว่าก็คงเป็นส่วนน้อยนะจะเรียกว่ามาถึงวัยนี้แล้วนี่โชคดีก็ได้นะที่ต้องที่พ้นภาระเรื่องการเรียน อย่างที่ลูกหรือหลานของเรานะกำลัง ก, งกงรากกรมคล่ำเคร่งกันอยู่เดี๋ยวแล้วก็ตามก็พึงตระหนักว่าแม้การเรียนในวิชาการต่างๆจะจบสิ้นแล้วนะสำหรับเราแต่ก็ไม่หมายความว่าการเรียนมันจะ ยุติลงเพียงเท่านั้นเราจะมีวิชาหนึ่งที่จะต้องเรียนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนจบเมื่อไหร่อันนั้นคือวิชาชีวิตนะไม่ว่าจะจบปริญญาตรีจบปริญญาโทรปริญญาเอกหรือว่าประสบความสำเร็จใน วิชาการแขนงต่างๆก็ตามแต่ว่าวิชาชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเลาะเว้นไม่ได้เลยวิชาชีวิตนี่หมายความว่าอย่างไรหมายหมายถึงความรู้นะที่จะช่วยทําให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า หรือถ้าพูดแบบท่านอาจารย์พุทธทาก็คือว่ามันช่วยทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุงสดแห่งการที่เกิดมาเป็นมนุษยนะ์การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากและไม่ว่าเราจะเกิดมาในสภาพใดในครอบครัวใดไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอย่างไร แต่ว่าศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่มันอยู่ในตัวเรามันก็มากมายมหาศาลและมีคุณค่าอย่างยิ่งอาจจะเรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าเราจะมีสิ่งนี้ในตัวเรา จะไม่ใช่ความสามารถที่ทำให้เราหายตัวได้หรือว่าเหาะเหินเดินอากาศได้นะแต่มันเป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้เราพ้นทุกข์ได้พูะพุทธเจ้าตัดว่าอริยะโรกุตตรธรรมนะเป็นทรัพย์ประจำตัวของมนุษย์ทุกคนโรกุตตรธรรมนี่พูดง่ายงคือว่าธรรมะที่ช่วยทำให้เราให้จิตใจเรา กลจากความทุกข์หรือพ้นทุกข์นะเป็นอริยะนะเป็นธรรมะอันประเสริฐมันเป็นทรัพย์ประจำตัวของเราทุกคนพุทธภาษตนี้นะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ถ้าหากว่าได้ยินนาทีนี้เนี่ยก็ให้ได้ตระหนักว่าเรามี ทรัพอันประเสริฐอย่างยิ่งนะที่เราต้องรู้จักเอามาใช้หรือว่าทำให้เกิดผลจะรู้จักใช้หรือว่าทำให้เกิดประโยชน์อย่างที่พูดมาเนี่ยคือทำให้เราได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยวิชาชีวิตนะมันอิงกับวิชาชีวิตมากทีเดียว ซึ่งต่างจากวิชาทางโลกนะวิชาทางโลกนี้ก็ช่วยในเรื่องการทํามาหากินแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เรามีความสุขหรือว่าอยู่อย่างมีคุณค่าได้และยิ่งการที่จะเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์บางทีวิชาทางโลกนี้ทำให้เราห่างไกลกับสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าทําให้เกิดเราเกิดความหลงตัวลืมตน หรือว่าหลงในสิ่งที่เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนเช่นชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าทรัพย์สมบัติซึ่งวิชาความรู้ทางโลกนะมอบให้กับเราถ้าเราเรียนรู้แต่วิชาทางโลกแต่วิชาชีวิตเราไม่เรียนเลยนะเราก็อาจจะหลงทางได้เช่นอาจจะไปหลงคิดว่าถ้ามีเงิน มีความร่ำรวยมีชื่อเสียงแล้วจะมีความสุข <Yeah. S 1> อันนั้นมาเป็นมายาคตินะเป็นอวิชชานะเ <Yeah. S 1> มื่อคนที่ถ้าไม่ได้เรียนวิชาทางโลกมาก็จะคิดว่าโลกนี้มันแบน <Yeah. S 1> ตอนที่เราเป็นเด็กๆเรา ก, ก็คงจะคิดว่าโลกนี้มันแบนเพราะว่ามองไปทางไหนมันก็แบนราบจะ <Yeah. S 1> พอเราได้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์แล้วก็พบว่าเออ จริงๆแล้วเนี่ยโลกมันกลมไม่ใช่แค่เรียนจากตำราแต่ว่าเห็นด้วยนะเห็นภาพถ่ายที่นักบินนักบินอวกาศเ่าถ่ายนะโลกที่กำลังลอยคว้างอยู่กลางอาวกาศนะมันกลมจริงๆเราก็มีความรู้ขึ้นมา นะความรู้แบบนี้มันต้องเกิดจากการที่เราได้ศึกษาวิชาทางโลกแต่ถ้าเรารู้แต่วิชาทางโลกไม่รู้วิชาชีวิตนะเราก็จะ เ, เกิดมายาคติหรือความหลงอีกแบบนึงได้เช่นหลงเชื่อว่าถ้าร่ำรวยถ้ามีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จในการงานแล้วจะมีความสุขมันก็ให้ความสุขกับเรานะ แต่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะเราถ้าเราสังเกตรหรือว่าใ่ตรองจากประสบการณ์ของผู้คนจากข่าวคราวที่เราได้รับก็จะพบว่าคนที่เขามีเงินมีทองแต่ไม่มีความสุขก็เยอะเพราะว่าเขาอยากจะได้มากอยากจะได้อีก อยากจะได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรือว่าเขามีเงินแล้วนะแต่ว่าเ้ากลับทุกเรื่องอื่นทุกเพราะว่าครอบครัวแตกแยกทุกเพราะว่าลูกเริ่มจะ ต, ติดยาหรือว่าเสียผู้เสียคนจนกระทั่งหลายคน ยอมตัดสินใจนะลาออกจากงานท่านทังที่เป็นซ e o บริษัทระดับโลกนะนะเคยมีข่าวนะมีซ e o ในบริษัทหนึ่งใหญ่มากนะในอเมริกาเขาก็จเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเขาก็ยอมนะยอมที่จะลาออกเพื่อที่จะมาให้เวลากับลูกให้เวลากับครอบครัว พอเขารู้ว่าสิ่งนี้ต่างหากที่จะให้ความสุขกับเขาได้มันไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ความสําเร็จแต่มีหลายคนก็ไม่รู้นะแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความเครียดหรือว่าอยู่จนแก่รลยถึงค่อยพบว่าไอ้สิ่งที่เขาแสวงหาแล้วก็ดิ้นรนทัา น, นที่ได้มาแล้วนะ แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำความพึงพอใจแก่ชีวิตนะมีเยอะทีเดียวนะัมว่าจะเป็นผู้ปกครองประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะอย่างที่ตัวอย่างที่อาจารตมาเคยเล่าให้ฟังนะจกักรพรรดิของ อินเดียคนหนึ่งนะชื่ออารังเซปนะอารังเซปนี่นเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากที่ขยายดินแดนของอินเดียไปทั่วจัดว่าเป็นจักรพรรดิที่ในเวลานั้นเมื่อ2 3 0สปีที่แล้วนี่ครอบครองประชากรถึงหนึ่งใน4ของโลกนะอินเดียมันคนประชากรนี่มัน ม, นมหาศาลจริงๆ อัรังเซฟนี่หลายคนจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงทัชมาฮานี่หลายคนก็คงจะรู้นะทัชมาฮานี่คืออะไรพ่อของอัรังเซฟเนี่ยสร้างชาชะฮานแต่ว่าสร้างแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถูกลูกคืออารังเซฟยึดอำนาจตัวเองก็ถูกคุมขังอยู่ใน ปราสาทนะที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอัคราฟต์ฟนะตัวเองสร้างขึ้นมาแต่พอกว่ากลายเป็นที่คุมขังตัวเองโดยลูกนะเอาลังเซฟเอาเซฟนี่อายุยืนนะแล้วก็ประสบความสำเร็จขยายดินแดนขยายอาณาเขตกว้างขวางมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจัดว่ารวยสุดในโลกนะรวยกว่า กษัตริย์ทั้งหลายในโลกโยกเว้นจีนตอนที่เขาใกล้าตายเนี่ยเขาก็พูดกับลูกว่าฉันมาแล้วก็ฉันมาแล้วก็ฉันไปอย่างคนแปลกหน้าคือมาแล้วมาแล้จากโลกนี้ไปอย่างคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครและฉันกําลังทําอะไรอยู่โอคนที่ถึงจุดสูงสุด ข, ของชีวิตนะประสบความสําเร็จอย่างที่ผู้ปกครองในโลกนี้น้อยคนจะประสบ แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันเป็นใครฉันกำลังทำอะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าสอบตกวิชาชีวิตนะสอบตกวิชาชีวิตคืออายุจนจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะแล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ วิชาชีพมัช่วยทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเราเกิดมาทําไมหรืออยู่เพื่ออะไรอะไรคือจุดมุ่มายชีวิตแล้วมันช่วยทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์ปรากฏอยู่กับเราหรืออุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นนะ ถ้าหากต้องการความสุขนะ้องการต้องการทำให้ชีวิตมีคุณค่าเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องรู้เข้าใจหรือว่าแตกฉานด้วยซ้ำนะในวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตนี่บอกเราว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่ว่าจะประสบความสุขความเจริญแค่ไหนในสุอมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อตายแล้ว สิ่งที่เราตักตวงมาสะสมมาที่เป็นวัตถุรูปธรรมหรือแม้ต่ทั้งอำนาจชื่อเสียงก็ไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไปไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวก็ไปไม่ได้ใครที่ไปไปดูนะไปงานศพนะที่เผาที่เชิงตะกอนนะ เมื่อตอนบ่ายนี่ก็คงจะเห็นนะว่าคนคนที่ตายไปแล้วนี่เอาไปไม่ได้สิเลยสักอย่างแม้แต่เงินที่อมไว้ในปากก็เอาไปไม่ได้ถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยตาสว่างนะไม่ลหลงไหลยึดมั่นนะกับทรัพย์สินเงินทองที่สะสมชนิดที่ไม่รู้ว่าใช้กี่ชาติกี่ชาติก็ไม่หมด แต่มันจะมีความหมายอะไรถ้าออกไปไม่ได้เลยแถมในระหว่างที่มีชีวิตยอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้สแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นด้วยความสุดจิตสุิ์ความรับชั่นคดโกงอันนี้ก็ยิ่งทำให้มีความสุขในจิตใจได้ยาก และถ้าเชื่อในเรื่องของพบหน้านะก็ เ, เตรียม เ, เตรียมรับกรรมที่จะต้องประสบในพบหน้าได้เลยนะพิจารชีวิตนิสรา ว, ว่าสุขกับทุกนี่เป็นของคู่กันได้ลาบก็บเสื่อมลาบเป็นของคู่กันได้ยศกับเสื่อมยศเป็นของคู่กันสารเสินกับนินทาเป็นของคู่กัน เหมือนกับหน้ามือกับหลังมือนะถ้าว่าเรายึดมั่นหมายมั่นในการได้ยดได้ราบนะแล้วก็ไม่ไม่นึกหรือฉเฉลียวใจบ้างว่าไอความเสือเส่อมยศเสื่อมลาบมันสามารถจะเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เท่ากับว่าตกวิชาชีพเหมือนกันนะเพราะว่า ถ้าไปยึดมาแบบนั้นแล้วเนี่ยถึงคราวที่ลาบยศสระเสริญมันเสื่อมสลายหายไปนะก็จะกลุ่มอกกลุ้มใจหรือว่าหมดอาลัยตายอยากท้อแท้กับชีวิตคนที่ค่าตัวตายเพราะว่าธุรกิจล้มละลายนะมันมีนับไม่ถ้วนเป็นข่าวอยู่ บ, บ่อย เดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้ให้รวยซะก่อนนะแล้วค่อยมาประสบกับความสูญเสียพิรนานะเดี๋ยวนี้แค่เป็นวัยรุ่นอายุไม่ถึงยี่สิบผิดหวังในความรักก็ฆ่าตัวตายแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะไม่เรียนวิชาชีวิตนะเพราะทะเลวิชาชีิตก็จะรู้ว่า อันนี้เป็นธรรมดานะความความไม่สมหวังเป็นธรรมดาของชีวิตเจอกับจากพบกับพลากนะมันเป็นของคู่กันเจอแล้วไม่มีเจอแล้วก็ต้องจากพบแล้วก็ต้องพลากนะสมหวังกับความผิดหวังนี่ก็เป็นของคู่กันแล้วเขาจะเรื่องวิชาชีวิตเนี่ยเออเมื่อเจอความผิดหวังก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดาก็ไม่เสียใจมาก หรือก็รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เขาพัดพลากจากเราหรือทิ้งเราไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่มาของความทุกข์มากกับใจที่ยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, กวางคนอื่นทำอะไรกับเรามันไม่แย่เท่ากับว่าเราทําร้ายตัวเองถ้าเราทําร้ายตัวเองเพราะความที่หลงยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางทำไมบางคนเขาถูกทิ้งหรือว่าผิดหวังในความรักแต่เขาไม่ทุกข์ <Yeah. S 1> เขากลับแกร่งเขากับฉลาดกว่าเดิม <Yeah. S 1> คนที่เรียนวิชาชีวิตเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เมื่อเจอทุกข์เนี่ยนะ <Yeah. S 1> เมื่อเจอความพัดพร่าความสูญเสีย เขาจะไม่จมอยู่ในความทุกข์หรือว่าย่าแย่แต่เขากลับฉลาดกว่าเดิมแร่งกว่าเดิมเพราะว่าความทุกข์เนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจเรื่องชีวิตดีพอเราจะพบว่ามันสามารถจะให้อะไรกับเราได้หลายอย่างมันสามารถทำให้เรามีปัญญามากขึ้น แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไอความทุกข์นั่นแหละที่สามารถจะผลักเราลงอบายไปเอาเวจีหรือว่าทำร้ายตัวเองได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะเธอชื่อเค้กตอนที่เป็นนิสิตเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นดาวของหมหาเทอร์ไลเพราะว่าหน้าตาเธอสวยไง แล้วก็มีคนชวนไปชวนเธอไปเป็นไปทำจ็อบพิเศษหลายอย่างเช่นเป็นเป็นพริตตี้สมัยก่อนเมือ่อ 6-7 ปีก่อนนี่พริตตี้ก็ไม่ได้แต่งตัวชัวช่ววากเท่าไหร่นะเธอก็ไปรับงานพิเศษเหล่านี้นะก็พอมีเงินอยู่ในช่วงที่เธอเป็นนักศึกษาเนี่ยก็บังเอิญไปรู้จักผู้ชายคนนึงทางอินเทอร์เน็ตนะสมัยนั้นเมื่อ6กปีที่แล้วนีเฟซบุ๊กยังไม่แพร่หลาย แต่มันก็เริ่มมีโซเชียลมีเดียแล้วเธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ตติดต่อไปติดต่อมาคงมีการส่งรูปไปด้วยนะผู้ชายก็หลงรักเธอแล้วก็นัดเจอกันเมื่อเจอกันไม่รู้วเจอกันกี่ครั้งนะผู้ชายก็พบความจริงว่าเธอไม่ได้หลงรักเขาเลยเธอไม่ได้มีใจให้เขาเลยก็แค่คบเป็นเพื่อน แต่ผู้ชานี่หลงรักเธอเพราะปักเพราะปัมพอรู้ความจริงเขาก็ทําใจไม่ได้โกรธเกลียดนะความร่างที่มันกลายเป็นโกรธและเกลียดนี่เร็วมากเลยนะนะเพราะว่าสุขกับทุกข์รักกับเกลียดนี่มันหน้ามือกับหลังมือนี่แหละรักมากก็เกลียดมากพอไม่สมหมอก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดทันทีนั่นนี่ถ้าใครไม่เรียนวิชาชีวิตก็ไม่รู้นะ พอเกลียดทยํทำานโกรธทำไงเอาน้ำกรดลาดเลยเน้ำกรดสาดหน้าเธอเสียโฉมตาบอดไปข้างหนึ่งคนที่เคยภูมิใจในหน้าตารู้สึกว่าหน้าตาเรือนร่างนี่เป็นสินทรัพย์เป็นของที่มีค่าอย่างยิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้คุณค่ากับตัวเธอพอเสียโฉมงี้ทาไง ก็ทุกมากเสียใจมากจนถนึงขั้นว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพะส่วนชุ้นี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วชิตนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ว่าอย่างดีที่นึกถึงแม่นะก็เลยไม่ไม่ฆ่าตัวตายแต่ก็ขอขอย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่อยากจะเจอคนที่เคยเห็นเธอในสภาพที่สวย เกิดความอับอายขึ้นมาก็ผ่านไปอีก2มปีนะปรากฏว่าเธอทำใจได้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ด้ทำใจนะแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ค่าตัวตายก็ไปใช้ชวิตเหมือนคนทั่วไปไปเป็นพนักงาน call center ทุกวันก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงาน ไม่รู้ไม่รู้ไม่ ร, ม ร, มรู้ไม่รู้สึกอับอายกับหน้าต่างของตัวเองไม่ปิดบังหน้าต่างตัวด้วยเคยมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายที่ทําให้เธอเสียโฉมไหมเธอบอกว่าไม่รู้สึกโกรธเลยนะตอนเนี้นะไม่รู้สึกโกรธเลยอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้ํำที่ทําให้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันทําให้เธอเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น อยู่กับพ่อแม่ได้มากขึ้นแต่ที่สำคัญคือมันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือแต่ก่อนนี่ทำอะไรก็ยึดติดนะยึดบั่นถือมันแต่พอเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยทุกอย่างแปลเปลี่ยนได้รวมทั้งหน้าตาของเธอด้วยนะ เธอก็ได้คิดว่าถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้เนี่ยคือไม่เสียโฉมเนี่ยพอแก่ตัวมันก็ต้องเสียไปต้องเสียเสื่อมไปอยู่นั่นเองเฉั้นเหตุการณ์ที่มันทําให้เธอได้รู้จักปล่อยวางแล้วเธอบอกว่าพอปล่อยวางเรื่องตัวเองได้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็ปล่อยวางง่ายแต่ก่อนที่เธอแคร์คาพูดหรือสายตางคนอื่นที่มีต่อตัวเธอแต่เดี๋ยวนี้เธอเฉยๆแล้ว ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรใค ร, ใครก็จะพูดอะไรเกี่ยวกับหน้าตาเธอเธอก็ไม่ทุกข์อะไรนะอธรว่าเนี่ยนะคือความก้าวหน้านะที่เธอได้เรียนจากวิชาชีวิตนะคือคนที่ไม่เรียนวิชานี้เนี่ยนะหรือไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวเรื่องชีวิตเนี่ยพอเจอแบบนี้ก็จะทำใจไม่ได้ก็จะ ตี อ, อกชกหัวเครียดแค้นหรือว่าเศร้าโศกเสียใจยจนกระทั่งทำร้ายตัวเองแต่ถ้าคนที่ฉลาดนะคนที่ผ่านวิชาชีิตมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันไม่มีความทุกข์อะไรที่เราจะผ่านไปไม่ได้ไม่ว่าจะอกหักผิดหวังหรือว่าเสียโฉมยังไงนะ ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นของชั่วคราวแล้ววันสักวันหนึ่งก็จะยิ้มได้นแต่ว่าของเธอนี่เธอได้เรียนรู้มากไปก่อนนั้นนะได้เรียนรู้ว่ามันทุกคนเราทุกเพราะความยึดติดนะทุกเพราะความยึดติดที่ทุกเพราะอะไรเพราะ ย, ยึดติดในหน้าตาในรูปร่างแต่พอปล่อยวางแล้วนี่เบาเลยนะ เมืเ่อเธอพูดดีนะบอกว่าเหตุการณ์ร้ายๆหรือประสบการณ์ร้ายๆเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้มองโลกในมุมใหม่นะใช้ชีวิตแบบใหม่หรือว่าเปลี่ยนทัศนคติไปในไปในมุมใหมนะ่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะถ้าเราใส่ใจกับวิชาเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่พอเจอทุกข์แล้วก็ตกต่ําย่ําแย่นะ ปล่อยให้ทุกมันกระทำย่ำยีไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพัดพลากความแก่ความเจ็บนะความล้มเหลวแต่คนที่ฉลาดนะพอผ่านโลกผ่านชีวิตหรือว่าเรียนรู้วิชาชีิตมานี่เขาสามารถที่จะหาประโยชน์จากมันหรือใช้มันเพื่อทำให้เขาเนี่ยฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นแกร่งกว่าเดิม และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเรียนจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะเลยวิชาทางโลกแค่ไหนเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะทําให้เราฉลาดในเรื่องชีวิตมากขึ้นอาจจะยิ่งโง่ามากขึ้นก็ได้เพราะว่ายิ่งประสบความสําเร็จก็ยิ่งเกิดความหลงตัวลืมตนหรือเกิดความยึดติดถือมัน่นไปคิดว่าเงินเป็นสาระไปคิดว่าชื่อเสียงเป็นสาระนะ บางคนพอสำเร็จแล้วนี่พอร่ารวยแล้วนี่ไม่เอาเพื่อนนะไม่สนใจทำความดีไม่คิดจะสร้างบุญสร้างกุศล น, นะเพราะคิดว่าเขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้มานี่คือสารณะนะอันนั้นคือความโง่อย่างหนึ่งนะที่เห็นได้ทั่วไปในทุกวันนี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้นี่มันไม่มีความจีรังเลยนะ คนที่ร่ำรวยร้อยล้านพันล้านแล้วก็กลายเป็นยาจกนะมีหนี้สินมีหนี้ล้นพ้นตัวเป็นพันพันล้านนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นได้มากมายนะโดยเฉพาะหลังจากปี40เนี่ยวิกฤตปี40แใครที่ขารที่รู้จักมองนะก็จะเห็นเลยนะว่าโอ้มันสอนอะไรเกี่ยวกับชีวิตและโลกได้มากทีเดียวนะว่า ไอ้ความร่ำรวยนี้มันไม่จิรังความยิ่งใหญ่ก็ไม่แน่นอนเมื่อเร็วๆนี้นะสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเคยมีอำนาจมีบา ร, รมีมากนะเพราะว่าลูกสาวนี่เป็นพระองค์เจ้านะเรียกว่านักการเมืองทหารก็กลัวเพราะว่ามีเส้นสายตรงถึงในวังได้ แค่สองแค่สองช่วงเท่านั้นแหละก็ถึงแล้วใหญ่มากนะแต่วันนี้ติดคุกแล้วนะมันสอนอะไ ร, รอะไรหรือเปล่านะเกี่ยวกับชีวิตและโลกนะมันสอนเราเห็นว่ามันชื่อเสียงอำนาจเงินทองนี่ไม่สามารถจะเป็นสารณะประเสริฐได้แล้วสารณาประเสริฐที่ไหนนะนะก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละนะ อยู่ที่ใจที่มีความเข้าใจในเรื่องชีวิตจงกระทั่งเห็นว่าธรรมะต่างหากนะที่มันจะสามารถรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์แล้วก็สามารถจะนำพาเราให้ผ่านอุปสรรคทั้งปวงไปไดอ้อย่างเรียบร้อยอย่างราบรื่นคนที่เข้าใจวิชาชีวิตนี้เขาจะไม่เขาจะไม่วิงวอน อ้อนวอนว่าขอให้รวยขอให้มีชื่อเสียงขอให้ประสบความสาเร็จนะแต่ถ้าเขาจะตั้งจิตอธิษฐานก็จะอธิษฐานว่าไม่ว่าเจออะไรไม่ว่าดีหรือรายก็ขอให้นะจิตใจเข้มแข็งแกร่งกล้ามีปัญญายิ่งกว่าเดิมแม้เจอความสำเร็จนะก็ไม่หลงตัวลืมตนหรือประมาท แม้เจอความล้มเหลวเจอความทุกข์เจอความพัดพลาญความแก่ความเจ็บความป่วยนะก็ยังรักษาใจปกติได้หรือว่ามีปัญญา ย, ยิ่งกว่าเดิมอย่างที่ท้าจาพูดท่าว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะคนที่จะทำงันได้นี่ก็ต้องมีนะวิชาชีวิตนะเป็น เป็นพื้นฐานเจออะไรก็ไม่เสียพูดเสียคนไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดีหรือร้ายนะแต่ว่าเข้มแข็งกว่าเดิมวิชาชีวิตนี่มันต่างจา่วิชาทั้งโลกนะวิชาทางโลกนี่เรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็มีเยอะนะวิชาคณิตศาสต ร, รษ์วิชาวิศวะวิชาบัญชีวิชาประวัติศาสต ร, รษ์ไม่ได้ใช้ก็เยอะนะคือ บางคนจบวิศวะก็ไปเป็นผู้บริหารธนาคารบางคนเรียนหมอจบมาก็ไปเป็นช่างกล้องหรือแต่งเพลงนะแต่วิชาชีวินี้ได้ใช้นะได้ใช้ทุกเวลาได้ใช้ทุกขณะเพราะวิชาชีวิตหมายถึงการที่รักษาใจรักษากายวาจายปกติซึ่งเราจะเป็นต้องมีถ้ารักษากายวาจายปกติได้ ไอเหตุร้ายมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเช่นเวลาเรากินข้าวนะเราเพียงแค่เรามีสตินะไอเรื่องที่จะมีข้าวติดคอสำลักจนตายมันก็ไม่ต้องวิตกเดินลงบันไดถ้ามีสตินะพอรู้สักรกษาใจเป็นปกตินะก็ ไม่มีอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้วิชาชีวิตนี้มันไม่ต้องอ่านตำราก็ได้นะแต่รู้จักอ่านโลกนะรู้จักอ่านชีวิตนะอย่างเมื่อวันนี้เนี่ยวันนี้มีข่าวนะมันนักบุญตำโงงนักชกเหรือทองโอลิมปิกนะซึ่งเคยได้เงินรางวัลหลายสิบล้านตอนนี้ลงเอยด้วยการเป็นหนี้แล้ว อ่านข่าวนี้มันบอกอะไรเราบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับชีวิตและโลกอะ่ะนะถ้าอ่านแล้วไม่ได้ไม่เก็ตอะไรเลยก็แสดงว่านะต้องไปเรียนวิชานี้นะแต่ถ้าคนที่ฉลาดนี่เขาเรียนเขาเขาอ่านข่าวนี่เขาก็จะรู้เลยโอ้มันสอนเราว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นะมันซอยร้อยลวดอย่าประมาทนะรวยวันนี้อาจจะเป็นยาจกวันหน้าก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาท แล้วก็ต้องอย่าให้อย่าเป็นท่าของเงินอย่าให้มันเป็นนายเราต้องรู้จักเป็นนายของมันเราจะเราจะเป็นนายมาได้เราต้องรู้จักรักษาใจถ้าเราไม่รักษาใจมันก็กลายเป็นนายเรามันก็ใช้เราจนกทั่งสุดท้ายเราก็หมดเนื้อหมดตัวหรือไม่ก็ค่าตัวตายเพราะว่า สูญเสียเงินทองหรือไม่หนักกว่านะั้นคือไปฆ่าคนอื่นฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่เพื่อเอาทรัพย์สมบัตนะิอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราเห็นได้ทั่วไปอ่านโลกอ่านชีวิตแล้วก็ต้องอ่านใจตัวเองด้วยนะถ้าเรารู้จักอ่านใจดูใจของเรานี่เราก็จะได้เรียรู้อะไรมากเกี่ยวกับชีวิตนะแล้วเราก็จะรู้ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเกิดจากอะไร อ่านยิงไไม่พอต้องปฏิบัติด้วยนะต้องปฏิบัติวิชาทางโลกนี่บางทีไม่ปฏิบัติก็ได้เรียนจบหมหาวิทยาลัยก็ไปมีอาชีพเป็นวิศวกรได้เลยโดยที่อาจจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่แต่วิชาชีวิตนี่สิ่งที่ต้อมาคือการปฏิบัตินะปฏิบัติคือปฏิบัติอะไรคือการทําความดีนะอย่างที่เมื่อกี้เราสวดมาสักครู่เนี่ย การไม่ทำบาทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัตินะที่สรุปโลทยอดอยู่ในโอวาทปฏิโมกที่ชัดเจนมากไม่ต้องมากแค่3อย่างเท่านั้นละละชั่วทำดีรักษาใจชำระใจให้ขาวรอดให้บริสุทธิ์มันก็จะทำให้ชื่อเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบเย็น แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายได้ไม่ว่ามีทุกข์อะไรเข้ามาก็ทําให้เราไม่ทรมานทุกข์นี่ห น, นีไม่พ้นนะแต่ใจไม่ทุกข์นี่ทําได้หรือใจไม่ทรมานในเวลาป่วยนะก็ป่วยแต่กายนะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ เรื่องการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่คนมักจะมองข้ามโดยเพราะในปัจจุบันนี้ก็คนไปหลงไหลเงินทองความสำเร็จก็แหกไปเรียนเรื่องวิชาทางโลกมากแม้กระทั่งพ่อแม่ก็พยายามเขี้ยวเขนลูกนะให้เอาดีทางนี้บางทีเขี้ยวเขียนจกนกระทั่งลูกนี่เครียดนะหรือบางทีลูกนี่ก็ยอมทาสิ่งที่ผิดนะ ลูกของเพื่อนคนหนึ่งนี่แกบอกว่าวันดีคืนดีสมุดสมุดกันบ้านชี้กันบ้านก็หายทาไมถึงหายนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่วันต่อมาก็พบคำตอบนะถูกขโมยไปแล้วก็ชื่อของตัวเองก็ถูกเลือดขีดเพเปอร์ลบแล้วก็ใส่ชื่อของคนขโมยแทนเพื่อไปส่งอาจารย์ไปส่งครูเด็กนะ เด็กมัธยมอยากจะได้คะแนนดีแต่ว่าขี้เกียจก็ไปขโมยสมุดการบ้านของเพื่อนมาแล้วก็ลบใส่ชื่อของตัวเป็นผลงานของตัวจะได้คะแนนอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะแรงกดดันจากพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกได้เรียนแล้วก็ได้ทำคะแนนดีๆในวิชาทาั้งโลกแต่ว่าสุดท้ายลูกนี่ ก็กลับสอบตกวิชาชีวิตนะคือไปคดโกงก็ไปขโมยนะซึ่งมันไม่ก็ไม่มีมมทางจะจเจริญได้หรือแม้แต่บางคนก็อาจจะแม้จะไม่ทำชั่วนะแต่ว่าก็ไปทุ่มเทกับสิ่งที่มันให้ความสุขชั่วคราวสุดท้ายก็ประสบความสุขก็จริงนะแต่ว่าพอเกิดเหวิกฤตขึ้นมาในชีวิตนะชีวิตก็พลิกผัน กลายเป็นแย่ไปเลยพวกเราจะเคยได้ยินได้ยินชื่อนะหมอวิสุทธ์นะบุญกเกษมสันตินึกชื่อนี้ออกไหมหมอวิสุทธ์นะนะหมอวิสุทธ์นี่แกเคยโดนพิพากษาประหารชีวิตเพราะว่าโดนข้อหาฆ่าเมียซึ่งเป็นหมอเหมือนกันหมอวิสุทธ์นี่แกเป็นเป็นาศาสตราจารย์นะเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อของจุลา แล้วก็เป็นมหมอที่เก่งเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วทำกรีฟ น, นะอันดับต้นๆของเอเชียซึ่งก็แปลว่าต้องมีเงินเยอะทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำเด็กหลอดแก้วนี่เป็นที่ปรารถนามากคนมีเงินแล้วก็ใช้เงินเยอะแต่ชีวิตที่รุ่งโรจน์นะมันก็กลายเป็นพลิกผันตกต่ำจนกระทั่งกล า, ายเป็นนักโทษประหารเป็นเพราะความ การตัดสินใจที่ผิดพลาดนะมีปัญหาความรักแล้วก็แก้ปัญหาง่ายๆคือการฆ่ามเมียแต่ว่าแกก็โชคดีนะตอนหลังก็ได้รับการลดหย่อนผนอ่นโทษจนกระทั่งผ่อนโทษปานชิดแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะออกมานอกคุกได้โทษยังไม่หมดนะแต่ว่ามันโทษเบาๆแล้วก็กให้ออกไป เ อ, อกไปนอกคุ ก, คกแล้วก็รายงานตัวแกให้สัมภาษณ์ น, น่าสนใจมากเมื่อเมื่อสักเร็วๆนี้แกบอกว่าคือย้อนมองชีวิตที่ผ่านมากขาบอกแกเสียดายนะเสียดายที่ทุ่มเทกับงานการมากจนละเลยเรื่องจนละเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมแกวัตรกรในหัวเนี่ยมันมีแต่เรื่องงานตำราวิชาการงานวิจัยเลยไม่สนใจเรื่องการฝึกจิตใจ ไม่ใส่ใจเรื่องการคลองสติแกบอกว่าแล้วการมาพบในในวันนี้นั่นแหละว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนี้สําคัญกว่าวิชาความรู้สะอีกนะไอ้เรื่องการเจริญสติการฝึกจิตใจเนี่ยสำคัญกว่าวิชาความรู้วิชาความรู้ก็คือวิชาที่แกได้รําเรียนมา แกเพิ่งมาเรียนรู้มาพบว่าเนี่ยมันสําคัญกับวิชาวความรู้ในการปฏิบัติทำการเจริญสติแกบอกว่าถ้าถ้าแกรู้ความจริงข้อนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่มเนี่ยนะแกคงจะไม่แกคงจะรีบปฏิบัติทงแต่ตอนนั้นไม่รอให้แก่แล้วค่อยมาปฏิบัติทำโอ้นี้เป็นแง่คิดที่น่าสนใจมากนะคนที่ เรียกว่าประสบความสำเร็จในวิชาทางโลกแล้วถึงที่สุดก็พบว่ามันยังไม่สําคัญเท่ากับเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเจริญสติแต่นี่ก็เป็นโสนาตรกรรมที่เกิดขึ้นคนจํานวนมากนะคือมารู้ว่าวิชาชีวิตนี่สําคัญเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสําคัญก็ต่อเมื่อพลังเผลอพลังพลาดไปแล้วแต่อย่างดีนะที่หมอวิสุทธิ์แกยังแก้ตัวได้นะคือ คือรอดตายนะแล้วก็มีโอกาสที่กลับมาปฏิบัติธรรมใหม่นคราที่หลายคนผิดพลาดไปแล้วแก้ตัวไม่ได้เพราะว่าถูกตัดสินบาลชีวิตไปนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทำบาปทำกรรมยิ่งกว่านั้นนะพวกเรานี้ก็โชคดีนะถยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะได้มาให้เวลาใส่ใจกับเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไม่แก่นะยังหนุ่มยังสาวก็มีเวลามีกำลังวังชาที่จะทำที่จะศึกษาเรื่องนี้นะก็ขอให้ทุ่มเทกับเรื่องนี้นะแต่ครเดียวกันก็อย่าไปละเลยนะเรื่องวิชาทางโลกแล้วก็ยังศึกษาอยู่เพราะว่ามันก็สามารถเป็นประโยชน์ในการเสริมการทำงานของเราหรือการปฏิบัติธรรมของเราได้ด้วยเอาละคำนี้ก็พ่กัเท่านี้นะอากราบพรพร้อมกัน